นั่งตัวตรง <c oughs> ต่อไปนี้ก็ถึงเวลาของการภาวนาในระยะเวลาหนึง่งให้พวกเรานั่งตัวตรงการนั่งตัวตรงเนี่ยมัน มันมีผลมีผลมากต่อการหายใจถ้าเรานั่งตัวไม่ตรงสลังไม่ตรงโกงห อ, ห, อหดจะทําให้การหายใจลําบากลมหายใจเราจะสั้นแต่เรานั่งตัวตรงลมหายใจเราจะยาวได้สบายสบาย นั่งตัวตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านะดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าให้ ง, ง่ายตรงๆซื่อๆดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านั่นก็คือว่าให้ประคองสติ อยู่เฉพาะหน้าถ้าให้ข้าวลึกลงไปพอเฉพาะหน้าอย่างไรก็รู้สึกที่ใบหน้าของตนเองไว้เลยในความเป็นปัจจุบันเนี้ยขนาดเนี้ยรู้สึกที่ใบหน้าของตนเองให้ทั่วไปเลยหรือถ้าจิตใครเร็วก็วิ่งไปทั่วร่างเป็นรู้ตัวทั่วเฉพาะหน้า รู้ถึงอิรยาบถตุตัวเดงนั่งดึงน้ำหนักที่มันกดลงไปที่สะโพกซ้ายฝาลำตัวที่ตั้งขึ้นขาที่ม้วนหรือวางไว้ที่พื้นมือที่ซ้อนกันอยู่ให้จิตมันไล่รู้สึกเรียงไปอย่างนี้แล้วกลับมารู้อยู่ที่เฉพาะหน้าของตอน จากนั้นก็ส่งจิตเข้าไปในช่องที่ลมหายใจมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกคือช่องจมูกประมาณเหนือริมฝีปากบนกับตรงตรงจมูกด้านนอกเราก็ลองสูดลมหายใจเข้าออกดูว่าเรารู้สึกตรงไหนได้ชัดเจนก็คอยคว้าวดูรู้สึกอยู่ตรงนั้นเมื่อได้อย่างนี้พร้อมแล้ว ก็เริ่มมีสติกับการหายใจออกมีสติกับการหายใจเข้า มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั้นหมายถึงว่าลมหายใจไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจจิตอย่างรู้ระลึกถึงลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกจิตอย่างระลึกรู้ลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมจนสุดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจทั้งเข้าทั้งออก ลมบางครั้งมันก็ยาวบางครั้งมันก็สั้นบางครั้งมันก็แรงบางครั้งมันก็เบาบางครั้งมันก็หยาบบางครั้งมันก็ละเอียดก็ไม่เป็นไรเราแค่รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าไปก่อนราดจิตมันรู้ลมหายใจได้มีแต่ลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิต ตอนนี้จิตมีงานคือรู้ลมหายใจแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่ลมหายใจยาวลองทำลมหายใจให้ยาวผ่อนแรงผ่อนความแรงของลมหายใจลงมาในระดับกลางๆแล้วทำให้ลมหายใจนั้นยาว เจ้ว่าที่คังว่าอัตสันโตที่คังอัตสามีติประชานาติว่าเราจะรู้ทั่วเมื่อลมหายเมื่อเราหายใจเข้ายาวเมื่อเราหายใจออกยาวเราจะรู้ทั่วรู้ชัดตอนลมหายใจที่ไหลออกยาวไหลเข้ายาวนั้นอันเราก็มีนาที่ที่มีการกําหนดเข้าไปด้วย ด้วยการจัดลมหายใจให้ยาวเมื่อจัดลมหายใจให้ยาวจิตก็รู้ลมหายใจที่ยาวนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ยาวให้ยาวมากๆจนถึงขั้นอึดอัดสมมุติว่าเราหายใจออกยาวจนสุดแล้วอาจจะอาจจะ หายลมหายใจออกไปเฮือกดึงซึ่งให้ความยาวนะั้นมันสิ้นสุดเป็นการปรับทางลมปรับระยะของลมแต่เรายังคงอยู่กับลมที่ยาวท่านว่าดีคังดีคังอัชชาสังอั ธ, าอธานาสังคาเตอัสติหมายความว่าเมื่อลมหายใจออกยาว เราจะหายใจออกด้วยการทำลมหายใจนั้นให้ยาวถ้าเป็นนับช่วงลมหายใจเนี่ยในปกใจปกติเรานับใต้อย่างหนึง่งแต่ว่าพอลมหายใจยาวเนี่ยมาการนับมันจะเยอะขึ้น ในขณะที่ลมหายใจเคลื่อนรูมันอาจจะนับได้หนึ่งสองสามนับได้ถึงสิบถึงยี่สบถึงสาสิุดแท่แต่ละคนว่ามันมันยาวได้ถึงไหนยาวจนถึงขนาดที่มันไม่อึดอัดเราอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมต้องทำกันถึงอย่างนั้นบอกว่านี่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านะ เรากําลังปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอาณาปานสติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นลําดับแล้วว่ารู้ลมยาวรู้ลมสั้นเนี่ยให้การรู้ลมยาวนี่มันไม่ใช่รู้ยาวเดียวแล้วก็จบมันก็ต้องรู้ให้จิตนั้นรู้ลมยาวที่แท้จริงจงเกิดผลจากการรู้ลมยาวนั้นได้เป็นลําดับเป็นลําดับ ขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการทําลมหายใจให้ยาวในระหว่างที่เราหายใจรู้ลดยาวแล้วก็รู้ลมหายใจยาวเนี่ยบางจาังหวะลมมันสั้นเราก็รู้ทั้นไปด้วยแต่ว่าเราก็ทําให้ลมหายใจนั้นยาวต่อ ในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจอยู่นั้นให้ดูสังเกตกายด้วยกายของเราที่มันตั้งอยู่อย่าให้มันห่อหดโน้มโค้งงอเพราะอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมันจะทําให้หายใจยาวได้ยากได้ลําบากลมหายใจยาวมันจะง่ายมากถ้าเราตั้งกายให้ตรง ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ จิตเราในขณะนี้จะมีลมหายใจที่ยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตจิตมีลักษณะของการระลึกรู้ต่อลมหายใจนั้นมีการยกจิตเข้าไปเพื่อการระลึกรู้ไม่มีอย่างอื่น พอจิตรู้ลมหายใจยาวได้ไม่อึดอัดลมก็จะราบเรียบจิตที่รู้ก็จะราบเรียบสนิทอยู่กับลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้ายาวนั้นให้จิตมันโน้มเข้าไปโน้มเข้าไปเพื่อการอันเดียวโนม้มเข้าไปเพื่อการอย่างเดียวโนม้มเข้าไปตรงถูลมหายใจยาวเพื่อการอย่างเดียว ในการที่จะรู้ลมหายใจที่ไหลออกในการที่จะรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าให้จิตมันโน้มไปโน้มไปตรงเพื่อการรู้ลมหายใจไหลออกไหลเข้ายา ว, ยาว Mm-hmm. แ้าทาลมหายใจให้ละเอียดขึ้นทำลมหายใจให้ละเอียดขึ้ น, ใใ เ, นเป็นลมหายใจยาวที่ละเอียดขึ้นจิตเข้าไปรู้ลมหายใจที่ยาวและละเอียดขึ้นโดยลักษณะอำนาจของการที่โน้มใจเข้าไป แล้วทำลมหายใจให้มันละเอียดให้มันลมหายใจยาวที่ละเอียดเพิ่มขึ้น Thank you. ทำลมหายใจให้ยาวให้ปราณีตยิ่งขึ้นจิตยังรู้ได้สติก็ไม่หลุดดังนั้นก็ปล่อยลมหายใจที่ยาวเป็นหายใจปกติให้จิตเข้าไปแค่รู้ลมหายใจออกให้จิตเข้าไปแค่รู้ลมหายใจเข้า ไม่ต้องไปตั้งใจรู้แต่แค่รู้ลมหายใจออกแค่รู้ลมหายใจเข้าปกติลมหายใจก็จะนุ่มละเอียด ล, ลมไหลออกลมไหลเข้ามันเหมือนกับการดึงความสงบเข้าไปด้วยความละเอียดของลมจิตที่ระลึกหรืออย่างรู้ลมที่ไหลออกไหลเข้านั้นมันเหมือนมันดึงความสงบเข้าไปลมก็คือลมจิตอย่างระลึกรู้ลมนั้นลมจึงเป็นแค่เครื่องระลึกของจิต ความตั้งใจที่จะหายใจมันก็ลดลงเบาลงจิตยังคงแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกแค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้า เมื่อลมหายใจหยุดโดยธรรมชาติจิตก็รู้จังหวะที่ลมหายใจหยุดอย่างธรรมชาตินั้นพอลมหายใจออกสุดลมหายใจมันจะหยุดตามธรรมชาติจิตก็รู้ลมหายใจหยุดแค่รู้ลมหายใจหยุดไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรรู้ตรงๆซื่อๆการหยุดก็คือการไม่มีลมเคลื่อนไหว นั่นคือลมหายใจหยุดก็รู้ในความที่ลมหายใจหยุดนั้นพอลมหายใจเข้าเข้ามาก็รู้ลมหายใจเข้าพอลมใจลมหายใจเข้าสุดถ้ามีจังหวะที่ลมหายใจหยุดก็รู้ลมหายใจหยุดพอจิตรู้ลมหายใจหยุดลมหายใจหยุดจะยืดระยะเวลาก็ไม่เป็นไรก็รู้ลมหายใจหยุดนั้นไว จิตมีอุเบกขาคือความนิ่งตั้งที่จิตเมื่อลมหายใจออกก็ระลึกรู้ลมหายใจนั้นเมื่อลมหายใจเข้าก็ระลึกรู้ลมหายใจนั้นพอลมหายใจหยุดเกิดความนิ่งจิตรู้ที่ลมหายใจหยุด มีสภาวะโดยปรากฏจิตแค่รู้ในความปรากฏของสภาวะนะฮไม่ปรุงไม่แต่งไม่สมมุติมันแค่มันปรากฏก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นพอมันดับไปก็รู้ว่ามันดับไปเห็นตามความเป็นจริงที่มันปรากฏอย่างนี้ ถ้ามันมีปิติก็แค่รู้แค่รู้ที่มันปรากฏที่มันเกิดขึ้นกอลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจกอลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจเข้า พอลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกปิติก็ยังทรงตัวอยู่เราก็รู้ปิตินั้นแค่รู้เท่านั้นกายก็นิ่งปวดก็ไม่มีผลเจ็บก็ไม่มีผลจิตรู้อยู่กับลมหายใจนั้น ิติพอเรารู้ชัดรู้ชัดมันก็เบาตัวลงมาก็เป็นความปรามโมทเป็นความร่าเริงของจิตที่จะอยู่กับลมอย่างนั้นมันมีความร่าเริงอยู่ร่าเริงอยู่กับในปัจจุบันของจิตที่เป็นอย่างนั้น ลมหายใจอาจจะเว้นช่วงนานๆจึงเข้ามาทั้งหนึ่งหรือเขายังเข้าออกแบบทีๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะเว้นระยะนานๆอย่าไปตกใจอย่าไปสําคัญว่าลมหายใจหายมันเป็นธรรมชาติในเมื่อร่างกายมีความสูญเสียน้อยไม่ต้องการมันก็ยังไม่หายใจ พอถึงจังหวะที่ร่างกายต้องการมันก็หายใจเราก็รู้ตามที่รา่รางกายมันหายใจนั้นสบายๆมีสติมีอุเบกขาเมื่อลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจเมื่อลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกจิตมีอุเบกขาตั้งอยู่ ที่รู้ลมหายใจนั้นเกิดความปราโมทเกิดความร่าเริงของจิตหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ตอนนี้ให้จัดระเบียบของจิตที่รู้เราเตรียมจะออกจากสมาธิโดยการยกจิตที่รู้นี้ไปรู้สึกที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกช้าๆด้วยอุเบกขาขยับไปนิดปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึก แล้วก็ยกมือขวาขึ้นเคลื่อนไปช้าๆให้จิตรู้สึกวางไว้ที่ข่าข้างขวาให้จิตรู้สึกจากนั้น ข, ขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือขวาขึ้นและเคลื่อนไปช้าๆให้จิตรู้สึกวางมือซ้ายไว้บนข่าซ้ายให้จิตรู้สึกตั้งตัวตรง ยกจิตขึ้นมารู้เฉพาะอยู่ใบหน้าแล้วก็ประหกหน้านิดหนึ่งก็ลืมตาออกจากสมาธิเวลาเราลืมตาออกจากสมาธิเราก็ยังรู้สึกได้ถึงสติอุเบกขาที่มีอยู่แต่พอเราขยับกายอุเบกขาก็เริ่มอ่อนตัวลงนีพ่พออย่างนี้ เราออกจากสมาธิแล้วอย่างนี้สติอุเบกขาสมาธิรู้นั้นยังอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะให้ทรงสภาวะนี้ไว้ได้เดี๋ยวพอเราลุกออกไปจากนี้เราจะไปเข้าห้องน้ำเราจะเดินลงบันไดเราจะไปทานอาหารหรือเราจะไปหยิบจับอะไร เราก็จะสามารถใช้สติที่มีทงตัวอยู่เนี่ยไปไปใช้ร่วมทูเ่เสบือทุกๆุกขีริยาที่มีการเคลื่อนไหวทำให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะวันนี้นะจากนี้ไปเราก็ใช้ให้มากที่สุดเสร็จแล้วมีธุระด่วนนึกขึ้นมาได้จะโทรศัพท์จับโทรศัพท์ก็ด้วยสติโทรออกก็ด้วยสติคุยโทรศัพท์ก็ด้วยสติใช้สติเป็นตัวกากับเป็นใหญ่ที่สุดในการเคลื่อนไหว สติที่มันยังคงอยู่เนี่ยตอนเนี้ย